เอาหลวงพ่อให้บทบวันนี้ให้โบทดีไหมว่าจะฟังเรื่องอะไรถ้าคุณตรงว่าไงไปอ่านหนังสือเจอบอกว่าช่างวาดภาพของเมืองจีนครับเวลาจะวาดภาพต้นไม้ก็จะไปนั่งอยู่กับต้นไม้โดยไม่ต้องพูดอะไร นั่งไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าเป็นต้นไม้ครับก็ใช้เวลาวาดก็ออกมาก็เป็นต้นไม้ต้องไงอ่ะ <laughs> เราจบยังก็วันนี้ก็ก็เลยคิดว่าจะมาฟังทมแบบฟังธรรมะนะจริงๆมันมีสองงานธรรมะล้วนๆกับธรรมชาติ อย่างของเต๋าของอะไรเนี่ยเขาพยายามกลมกลืนเข้าสู่ธรรมชาติคําว่าเต๋าฟังดูบางทีพูดคล้ายๆธรรมะนะคล้ายๆกันความต่างระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นอยู่ตรงที่ของเรานี่ไม่มีตัวมีตนสุดท้ายไม่ใช่ว่าเอาตัวตนกลืนเข้ากับธรรมชาตนะิเพราะธรรมชาติกับตัวตนเป็นอันเดียวกันหรืออย่างเอาจิตกลมกลืนเข้ากับพลมปรมาตามัน แ้เป็นอันเดียวกันของเราปล่อยวางหมดเลยวางไม่มีอะไรไปเข้าสู่อะไรอะวางคือถ้าใจมันหมดความหิวโหยหมดความดิ้นรนได้นะใจไม่ดิ้นรนต่อไปมันก็มีแต่ความสุขล้วนๆลนะมันเป็นสุขอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละไม่ต้องไปไหนเลยศัตรูสำคัญของเราคือความไม่รู้ คืออวิชชาความไม่รู้อริยสัจส่วนความรู้แจ้งอริยสัจเรียกว่าสมาทิฏิเรียกว่าวิชาสมาธิฏฐิงั้นหลักธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยเราฝึกหัดตนเองไปเรื่อยสิ่งที่ได้มาก็คือสมาทิฏฐิสิ่งที่หมดไปก็คืออวิชชามันเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันเท่านั้น มันไม่ใช่เรื่องทําอะไรที่เกินธรรมดามากกว่าการรู้ความจริงนั่นเงินวิถีของชาวพุทธเป็นวิถีแห่งการรู้คนทุกด้วยการรู้จะไม่เหมือนวิถีของคนอื่นเขาก็มีนิพพานอย่างของเขาเหมือนกันอย่างของพลมของฮินดูของพราหมณ์เลยเนะี่ยถ้าใจเขาเข้าสู่ความสงบทำฌานได้ก็ถือว่าใช่ะนิพพาน รูบาอาจารย์ท่าเรียกนิพพานพลมหรือวิธีของคริสนะเขใช้ความรักนีความรักนั้นก็ไม่เบียดเบียนกันในเนี่ยเฉพาะรักในพระเจ้าก็ไม่เห็นแก่ตัวก็ไม่เห็นแก่ตัวมากมันก็ความทุกข์มันก็น้อยลงไปมันเป็นวิธีถอดถอนความเป็นตัวตนด้วยวิธีต่างๆนี่นักปราชทั้งหลายก็คิดคิดขึ้นมา วิธีของชาวพุทธคือวิธีรู้ถามว่ารู้อะไรต้องรู้กายรู้ใจไม่ใช่รู้เรื่องอื่นต้องรู้ลงในกายในใจนี้รู้จนเห็นความจริงกายกับใจไม่ใช่ตัวเราคนใดที่เห็นว่า ก, กายกับใจไม่ใช่ตัวเราเข้าสู่จุดที่ปลอดภัยแล้วถ้ายังเห็นกายเห็นใจเป็นตัวเรายังอยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภัย มันมีตัวเรานะมันก็อยากให้ตัวเรามีความสุขมันก็ดิ้นรนไปนะดิ้นรนไปทางชั่วก็ไปสร้างภพภูมิที่ชั่วดิ้นรนไปทางดีก็สร้างภพภูมิที่ดีพยายามจะไม่ดิ้นรนเลยจงใจจะไม่ดิ้นรนเลยก็สร้างภพภูมิที่นิ่งนิ่งว่างๆงไม่มีอะไรขึ้นมาอีกถ้ารู้ลงไปจนเห็นมันไม่มีเรานะมันปลอดภัยเป็นจุดที่ปลอดภัยเวลาเราภาวนาจนถึง ธรรมมขั้นต้นเนี่ยจิตใจเราจะเปลี่ยนไปมันจะมีความรู้สึกอบอุ่นเกิดขึ้นมีความลบรู้สึกเหมือนที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนก่อนที่เราจะเข้าใจธรรมมนะเราก็รู้สึกว่าเรามีพ่อมีแม่อะไรเงี้ยมีญาติพี่น้องแต่พอใจเราเข้าถึงธรรมมาแท้ๆนะเราเพิ่งพบว่าเราเพิ่งกลับบ้านได้เรามาเจอพ่อเจอแม่ตัวจริงของเราแนละ พ่อแม่ในสังสารวัตรนี้มีจำนวนนับไม่ถ้วนพ่อแม่เรามีจำนวนนับไม่ถ้วนแต่พ่อแม่ที่แท้จริงเนี่ยคือพระพุทธเจ้านั่นเองท่านวันใดที่ใจเข้าถึงธรรมนะเราจะรู้เลยเราคือลูกของพระพุทธเจ้านะพ่อแม่ผู้ให้กาเนิดเราตายไปเนี่ยใจเราอาจจะมีธรรมสังเวชสลดสังเวชอนะไรแต่ถ้าครูบาอาจารย์ ที่ให้ดวงตาเห็นธรรมกับเราตายนงนีจะรู้สึกเหมือนลูกกับพลาเลยความรู้สึกมันจะถ่ายโอนไปหาครูบาอาจารย์ที่ให้ดวงตากับเราความรู้สึกของผู้ปฏิบัตินะครูบาอาจารย์นี่เหมือนพ่อแม่เนั้นวัดป่าท่านจะเรียกครูบาอาจารย์ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มันเป็นการเรียกด้วยความรู้สึกแท้ๆออกมาจากใจแท้ๆของผู้ปฏิบัติ ไม่ได้แกล้งเรียกนะแต่พวกเรารุ่นหลังๆได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเรียกกันเราก็เรียกตามเรายังไม่ใช่ลูกท่านหรอกเรียกลูกนอกนอกกฎหมายลูกนอกสมรสไม่ใช่ลูกจริงหรอกทาไมถือว่าครูบาอาจารย์ที่สอนเราได้โสดาบันนเป็นพ่อแม่เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราได้โสดาบันนี่นะให้ดวงตากับเราให้อายตนะ ส่วนพ่อแม่ที่ให้กําเนิดก็ให้อายตนะกับเราให้ตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันงั้นก็ถือว่ามีบุญคุณมากพ่อแม่ทําให้เราได้เห็นโลกส่วนพ่อแม่ในทางธรรมก็ทําให้เราได้เห็นธรรมมีบุญคุณทั้งคู่นะไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทางโลกไม่มีบุญคุณเดี๋ยวจะเนรคุณเพราพ่อแม่ทางโลกให้เราได้ตาหูจมูกลิ้นกาย สนใจนะเราหามาเองเราก็ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีนะไปสแสวงหาธรรมะนักปฏิบัติเนี่ยจะรักครูบาอาจารย์ที่ให้ดวงตาเห็นธรรมที่สุดเลยองค์ไหนสอนให้ได้เป็นพระอรหันต์นะยังไม่ทราบซึ้งเท่าที่สอนให้ได้ดวงตาเห็นธรรมมันอย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านซื่ อ, อท่านเป็นยอดกระตันยูเลย เวลานอนท่านหันศีรษะไปทางพระอัศชิท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะพระอัศชิไม่ได้หันไปทางพระพุทธเจ้าถ้าอื่นตีเตียนนะแตบบ่พระพุทธเจ้ายกย่องถ้าเมื่อไรเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นความจริงแล้วเราจะเข้าสู่จุดที่ปลอดภัยการเดินทางในสังสารวัตนิยาวนานมาก นับพบนับชาติไม่ท่วนยาวนานมากชาติใดที่ไม่เจอศาสนาพุทธนะจะวางเวงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจนคุ้นเคยที่จะปฏิบัติแล้วเนี่ยชาติใดไม่เจอธรรมะนะมันจะรู้สึกวางเวงใจชาติใดเจอธรรมะ ม, มันจะรู้สึกอบอุ่น้วเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงธรรมแล้วมันจะอบอุ่นตลอดละเท่า น, นี้ใจมันจะอบอุ่น เป็นลูกมีพ่อมีแม่ที่แท้จริงแล้วแต่ว่ายังเป็นลูกที่หลงอยู่นอกบ้านนะลูกที่หลงอยู่นอกบ้านยังกลับบ้านไม่ได้วันใดที่เราสามารถปล่อยวางความยึดถือจิตได้เราจะรู้สึกเลยเรากลับมาบ้านแล้วบ้านที่พ่อแม่พี่น้องของเราอยู่ครบเลยมีความอบอุ่นเต็มที่เลยงั้นเราเที่ยวสแสวงหาบ้านที่แท้จริงเนะที่ยวแสวงหาไปเรื่อย หลงไปบ้านคนอื่นเรื่อยๆหลงเข้าบ้านโน้น อ, ออกบ้านนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งหยุดการสแสวงหาแล้วใจเข้าถึงทมแท้ๆนะปล่อยวางความยึดถือจิตลงไปได้มันมีความรู้สึกเหมือนกลับบ้านได้ละการเดินทางระเหเร่อยร่อนในสังสารวัฏนี้สิ้นสุดลงลวงานที่ต้องทำทำเสร็จหมดละงานที่จะต้องทำอย่างนี้อีกนะเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่มีอีกละ จะรู้สึกอย่างนี้เป็นความรู้สึกของพระริยะบุคคลแต่และชั้นแต่และชั้นยังไม่เหมือนกันทีเดียวอย่างความรู้สึกของพระนาคามีเนี่ยรู้สึกมีความสุขจิตใจมีความสุขหลายท่านเลยพอใจอยู่ตรงนี้พอใจหลวงปู่ดูลเคยบอกหลวงพ่อนะว่าท่านนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงมากๆส่วนใหญ่นะมาหยุดอยู่ตรงนี้เอง เราภาวนาจกนกระทั้งใจมันเด่นดวงมีความสุขทั้งวันทั้งคืนพอใจไม่ไปต่อละเพรากว่าจะมาถึงจุดนี้นะเหนื่อยมาเยอะละ้วก็เลยพักสันหน่อยนะเหลืออีกนิดเดียวนะหรือ้างอีกหน่อยนะเราพักก่อนเงินพวกเราแต่ละคนนะตอนนี้เหมือนลูกกำพร้าเระเหเร่ร่อนนะหาพ่อแม่ไม่เจอพระเยซูบอกเหมือนลูกแกะใช่ไหมลูกแกะหลงฝูง จริงไม่ใช่ลูกแก่หลงฝูงตัวเดียวนะมันคือฝูงลูกแกะที่หลงอยู่เงี้ยฝูงลูกแก่ทั้งหลายนะระวังถูกเขาถลกหนังนะไปถูกกินเนื้อถูกถลกหนังตายแล้วตายอีกเรียนไหวอยู่อย่างนั้นเองน่าสงสารที่สุดเลยงั้นตั้งอกตั้งใจเรียนตั้งอกตั้งใจภาวนาเบื้องต้นนะฟังให้รู้เรื่องก่อน ฟังให้รู้วิธีปฏิบัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วอย่าขี้เกียจทําบ่อยๆถ้ายังไม่รู้วิธีปฏิบัติก็ห้ามขยันนะถ้าขยันแล้วมันะเตลดเิดเปิดเปิงออกนอกลูก่นอกทางไปแก้ยากนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะ่ะชอบไปเพ่งอชอบไปบังคับตัวเองให้นิ่งๆผิดความจริงแก้ยากบางคนแก้ไม่ได้เลย บางคนถ้าไม่ดื้อมากนะก็พอแก้ได้ความจริงแล้วการปฏิบัตินะถ้าไม่ไปทำผิดนะมันเริ่มต้นไปด้วยใจใสๆซื่อๆปฏิบัติง่ายเนื่องก่อนที่จะปฏิบัติฟังให้รู้เรื่องก่อนบางคนคิดว่าจะภาวนาด้วยตัวเองจะหาทางด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็ล้มลุกลุกครานนานหน่อยอย่างต่ำก็เสียสงไข่แสนมหากับ เร็วที่สุดเลยนะสองอาโศขายคือพระปัจเจกสองอาทรงขายแสนมหากรหน้าตาพวกเราดูเหมือนไม่มีเรี่ยวมีแรงพอ <c oughs> ที่จะตะเกียกตะ ก, กายไปขนาดนั้นเพราะงั้นก็อาศัยพระพุทธเจ้านะท่านค้นคว้ามาก่อนตั้งใจฟังหลักการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ยากอะไรหรอกง่ายๆ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 เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธคือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองคำว่าเรียนรู้หมายความว่ากายมันเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงนะตามรู้ตามดูจนรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้อย่างที่เขาเป็นการรู้สิ่งทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความรู้มีความเห็นถูกต้อง ให้เราคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจบางคนบอกว่าทําไมสอนแค่รู้น้อยไปอยากทําอย่างอื่นพวกเรานักปฏิบัติลองสังเกตใจของเราดูทุกวันนะเราจะคอยคิดด้วยว่าทำอย่างไงแล้วจะดีมีใครรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมจะคอยคิดด้วยทำอย่างไงจะดีทำอย่างไงจะดีทําทยัางไงจะถูกมากกว่านี้อีก ทำยังไงจะพ้นทุกข์ทำงไงจะได้ดวงตาเห็นธรรมท ำ, ทำงไงจะได้มรรคผลนิพพานในใจของเราเนี่ยมันตั้งสมมติฐานไว้แล้วว่าจะต้องทำเราคิดแต่ว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนธรรมดาถ้าเหมือนธรรมดาอย่างที่เราทำทุกวันนี้นะแล้วมันไปมรรคผลนิพพานได้ทุกคนก็มรรคผลนิพพานไปหมดแล้วดังนั้นสิ่งที่เราคิดจะทาจะต้องเกินธรรมดา ให้คอยรู้ทันนะใจมันจะคิดจะทําอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ไปดูสติปัฏฐานนะลองไปหาอ่านเอาในสติปัฏฐานสูตรนี่ท่านจะสอนเลยมีแต่คําว่ารู้เป็นหลักเลยมีแต่คําว่ารู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้นี่กิริยาคือคําว่ารู้ ยืนอยู leven leven ่ก really ็รู้เดินอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปก้าวไปก็รู้ถอยหลังก็รู้จะคู่จะเหยียดจะเหลียวซ้ายแลกวาจะทําอะไรก็คอยรู้สึกตัวนั่นสอนแต่คําว่ารู้จิตใจหรือร่างกายมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ร่างกายจะสุขก็รู้จะทุกข์ก็รู้จิตใจจะสุขก็รู้จะทุกข์ก็รู้จะเฉยๆก็รู้ มีแต่คำว่ารู้ค่อดูให้ดีในจิตตานุปัสสนาก็สอนจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะมีแต่คำว่ารู้อีกจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตไม่ได้ฌานก็รู้นะจิตมีสมาธิขึ้นมาก็รู้จิตได้อุปจาระก็รู้จิตไม่ได้อุปจาระก็รู้ จิตได้อัปปนาก็รู้จิตไม่ได้อัปปนาก็รู้จิตหลุดพ้นก็รู้จิตไม่หลุดพ้นก็รู้เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ยังมีกิเลสจนหลุดพ้นนะก็มีแต่คําว่ารู้เฉะั้นถ้าเมื่อไรเราคิดขึ้นมาว่าทํายังไงจะถูกนะต้องเฉลียวใจว่ากําลังทําสิ่งที่เกินคําสอนพระพุทธเจ้าละหน้าที่ของเราคือการรู้คือการเรียนเรียนเพื่อให้รู้เรียนลงมาในกายเรียนลงมาในใจนี้ ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ไหมจิตใจเคลื่อนไหวรู้ไหมแต่คำว่ารู้นะมีความหมายที่กว้างกว่าคำว่ารู้ที่พวกเรารู้จักคำว่ารู้ในสติปัฏฐานมีความหมายสองชั้นซ้อนกันอยู่อันแรกเลยมีสติไปรู้อันที่สองมีปัญญาไปรู้มีสติไปรู้ก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกไวอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกไวเรียกว่ารู้สึกรู้ทัน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 เช่นรู้หายใจออกก็รู้เนี่ยจะเห็นเลยไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่เรานะไม่ใช่คนด้วยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่เรียกรู้ด้วยปัญญาลนะ้รู้ด้วยปัญญาเนี่ยจะถอดถอ น, ถอนความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นรู้ด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าความโกรธไม่ใช่ตัวเราหรอก ความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาช่วครั้งช่วคราวแล้วก็สลายหายไปนี่เรียกรู้ด้วยปัญญาลำพังรู้ด้วยสติได้สมถะถ้ารู้ด้วยสติและปัญญานะจะได้วิปัสสนาคือการทำวิปัสสนาเมื่อนรู้สึกลงในกายเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราพวกเรารู้สึกไหมตัวที่นั่งอยู่นี้ถ้าเราไม่คิดนะเรารู้จริงๆ จะเห็นว่าตัวที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานั่งอยู่จะเห็นว่าเหมือนวัตถุเหมือนก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันนั่งอยู่ยังไม่ใช่เรานั่งนะไม่ใช่คนด้วยเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งมันมากองอยู่ตรงเนี้ยเห็น <T> อย่างนี้บ่อยๆถึงจุดหนึ่งใจมันยอมรับความจร <t> ิงว่าตัวนี้ไม่ใช่เราหรอกใจมันยอมรับความจริงว่าไม่ใช่เราคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยที่เห็นว่ากายไม่ใช่เรานี่นับไม่ถูกแล้วนะจํานวนมากมายจนนับไม่ถูกแล้ว แต่คนที่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรามีไม่กี่คนนะมีไม่ถึงหลักสิบมีไม่ถึงมีไม่ได้สิบคนเฉียดเฉียดนะเห็นกายไม่ใช่เรานี่นับไม่ท้วนนับไม่ถูกเวลาดูลงมาในจิตใจนะความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาจะโกรธนะมันโกรธเองความโลภเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาจะโลภเลยเดินเดินอยู่ไปเห็นของสวยใจมันอยากได้ขึ้นมาเอง ไม่ได้สั่งให้อยากได้นะอยากเองอะ่ะหรือนั่งอยู่ดีๆนะใจแอบไปคิดมันไปคิดของมันเองไม่ได้เจตนาจะคิดนะใจหนีไปคิดวับแวบวับแวบนะสังเกตไหมนั่งฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อแวบหนึง่งเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็แอบไปคิดสลับกันไปเรื่อยๆฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปเบอร์แปไปคิดละดูออกไหมเนี่ย เบอร์สนะินั้นเที่ยวหาใหญ่เลยใะแอบไปทํางานนะเริ่มเคร่งเครียดแล้วเบอร์50รู้สึกไหม <c oughs> เริ่มทื่อๆขึ้นมาแล้วเพราะมีการไล่ทีละคนนะสังเกตไหมใจเรานะจะแอบไปคิดมันก็ไปเองจะตั้งใจฟังมันก็ฟังเองจะเครียดขึ้นมาเพราะโดนไล่จี้แนละ้วมันก็เครียดเองมันทํางานของมันได้เอง ให้เราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดจิตใจมันทํางานได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่ตัวเรานะวันใดที่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะจะได้พระโสดาบันนะนะถ้าเห็นแล้วใจยอมรับนะบางทีเห็นว่าจิตหายไปเลยพราวนาไปแล้วเราหายไปเนะหลือแต่กายนะเหลือแต่เวทนาเหลือจิตอยู่เนะหลือความคิดนึกปรุงแต่งอยู่แต่เราหายไปเนะี่ย อย่างนี้บางคนตกใจนี่ตกใจอยู่เรียกว่ายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมยังไม่ยอมรับความจริงว่าเราไม่มีแต่ถ้าดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดูลงไปเรื่อยถึงวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงว่าเราไม่มีหรอกว่าเราไม่มีได้พระโสดาบันหลังจากนั้นเป็นต้นไปเวลาเรามองย้อนเข้ามาที่ตัวเองจะรู้สึกเลยว่าไม่มีตัวเราอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีย้อนลงมาดูก็จะเห็นว่าไม่มีตัวเราหรอก แต่ยังรักกายรักใจอยู่คล้ายๆพวกหน้าด้านนะรู้ว่ากายกับใจเนี่ยยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ของเราหรอกแต่หวงไม่ยอมคืนเจ้าของเนี่ยตามรู้ตามดูต่อไปอีกนะจะเห็นเลยเรานี่รักกายรักใจมากรักอย่างเหนียวแน่นที่ว่าเรารักคนอื่นนะความจริงไม่จริงหรอกสิ่งที่เรารักที่สุดนะคือกายกับใจของเราเอง แล้วก็ดูต่อไปให้ถึงที่สุดนะที่ว่าเรารักกายนะก็รักไม่จริงเท่าไหร่สุดท้ายน่ะรักจิตใจตัวเองเวลาเจ็บหนักรู้สึกไม <c oughs> เคยเห็นไหมคนเจ็บหนักแต่เดิมห่วงร่างกายนะแล้วเจ็บหนักนะไม่ค่อยรักกายแล้วไม่ค่อยจะรักกายแล้วเมื่อไหร่มันจะตายจะได้ก็ดีนะพน <c oughs> ทุกขนร้อนตายตายพนทุกขนร้อนไปไม่รักกาย <c oughs> คิดว่าถ้าไม่มีร่างกายแล้วจิตใจจะได้มีความสุขสทีไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน หรือคนบางคนมีปัญหาชีวิตมากเห็นไหมจิตใจไม่มีความสุขเลยพอจิตใจไม่มีความสุขแทนที่จะฆ่าจิตใจไม่ฆ่าเห็นไหมไปฆ่าร่างกายให้ตายเพราะงันเนี่ยในกายกับใจนะก็ยังรักใจมากกว่ากายระหว่างกายกับใจของเรากับกายของใจคนอื่นรักของตัวเองมากกว่านี่ธรรมชาติเลยนะสัตว์ทั้งหลายรักตัวเองนี่พอรักใจแต่ว่า รักไปอย่างนั้นแหละปฏิบัติต่อจิตใจอย่างไม่ถูกต้องรักใจแต่ว่าชอบตามใจกิเลส ช, ชอบตอบสนองกิเลสนะกิเลสนั่นแหละเป็นยาพิษของใจกิเลสน่ะทาลายความสงบสุขของจิตใจเรารักจิตใจที่สุดเลยรักมากกว่าร่างกายอีกร่างกายยอมแตกสลายได้ยอมตายได้ฆ่าตัวตายก็ได้ขอให้จิตใจมันมีความสุข หลายคนอกหักมนะเคยเห็นมีข่าวเรื่อยๆอกหักจิตใจเสียอกเสียใจฆ่าตัวตายจิตกะว่าจิตใจจะมีความสุขฉเฉลยให้เลยนะว่าไม่ไม่พ้นหรอกนะเอราร่างกายตายไปไม่ใช่จิตใจพ้นนะเคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งวันหนึ่งก น, นอนอยู่ที่บ้านกลางดึกแล้ว นอนอยู่แล้วจิตมันไหวไหวแวบออกไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านไปเดินผ่านถนนหน้าบ้านเป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านผ่านไปผู้หญิงคนนี้เดินลอยเหนือพื้นอยู่คืบหนึ่ง <c oughs> เดินร้องไห้ไปเรื่อยๆเลยเศร้าโศกเสียใจมากเลย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะเห็น <c oughs> แต่เดินร้องห่มร้องไห้ไปไม่ยอมหันหลังกลับไปมองบ้านตัวเองเลย นี่ตอนเช้าชาวบ้านแตกตื่นในหมู่บ้านวิ่งไปหมุงบ้านนี้นะมีผู้หญิงคนนี้แหละผูกคอตายไปแล้วที่ผูกคอตายก็เพราะว่าไปส่งบ้านสามีห้ามแล้วบอกบ้านอย่างนี้ซื้อไม่ไหวหรอกไม่เอาจะเอาอยากได้อยากได้เพื่อว่าจะได้มีความสุขก็อยากเกินฐานะส่งไม่ได้ธนาคารจะยึดนะสามีก็โมโหนะเอาเงินไปดาวบ้านหมดแล้วสามีเลยทิ้งไปเลย แต่มีก็ทิ้งบ้านก็ถูกยึดเลยนะไม่รู้จะทํายังไงผูกคอตายกล่าวว่าจะพ้นทุกข์ไม่พ้นหรอกจะต้องเดินร้องไห้ยอย่างนั้นไปอีกนานแสนนานนารกมันไม่ใช่นรกต้องอยู่กับที่เสมอไปนะนรกเคลื่อนที่ก็มีพวกนี้เหมือนนรกเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะไม่มีที่หมายไม่มีที่พักพิงน่ากลัวนะและชีวิตของพวกนี้ยืนยาวกว่าคนธรรมดามากนี่ถ้าแกอดทนนะ ลำบากลำบนไปลำบากลำบนไม่กี่ปีชีวิตมันก็เปลี่ยนเนี่ยรักรักจิตใจอยากให้จิตใจพ้นทุกข์แล้วโง่ไม่พ้นหรอกหรือเรารักจิตใจนะอยากให้มันมีความสุขแต่เราตามใจกิเลสซึ่งเป็นศัตรูของจิตใจรักคนโน้นเกลียดคนนี้อยากคนโน้นอยากคนนี้จิตใจหาความสุขไม่ได้ที่แท้จริงเลยจิตใจก็ดิ้นรนอยู่อย่างนั้นเองหาความสุขไม่ได้ มีแต่การได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะแล้วหัดมาสังเกตใจตัวเองเรื่อยๆมาค่อยรู้เท่าทันใจของเราเราจะรู้เลยถ้ากิเลสมาเมื่อไหร่นะใจจะดิ้นรนเมื่อใจดิ้นรนใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นนั้ถ้าสติเราว่องไวกิเลสไหลามาแวบสติรู้ทันวับนะกิเลสจะดับวับลงไปเลยจิตใจจะไม่ดิ้นรนต่อความทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดขึ้นนะนี่ธรรมะเบื้องต้นนะเบื้องต้น บางคนบอกเบื้องต้นก็ยากแล้วเพอะเบื้องปลายนะต้องไม่ยึดถือจิตใจอีกทีอันนี้คล้ายๆเรามีสติคอยระวังรักษาสงวนรักษาจิตใจเอาไว้ไม่ให้กิเลสครอบงำเราก็จะมีความสุขคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆกิเลสไหลามาแล้วคอยรู้นะหลงพ่อชาหรือใครนะแต่งกิเลสไหลามาธรรมะไหลไปอะไร กิเลสโจรมาธรรมะโจรไปหลวงพระชาหรือหลวงพ่อเถียนดูนะําไม่ได้จําไม่ได้ละมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านแต่งไว้นี่ถ้ากิเลสมันจะมาได้ตอนไหนกิเลสมาได้ตอนเผลอจําไว้นะกิเลสไม่มาตอนที่รู้สึกตัวแต่กิเลสจะมาตอนเผลอตอนใจลอยกิเลสเหมือนผีนะอยู่ในที่แจ้งแจ้งที่สว่างสว่างไม่กล้าหลอกเนี่ พอที่โผล่เผลอโผล่เผลอนะหลอกง่ายความจริงผีไม่ได้หลอกหรอกกิเลสหลอกอีกนั่นแหละพอมันมืดๆแล้วมันกลัวงั้นถ้าเรารู้สึกตัวอยู่กิเลสจะเข้ามาที่ใจไม่ได้ถ้าขาดสติลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจเมื่อไหร่กิเลสจะแอบแฝงเข้ามาในใจเรากิเลสเมื่อเข้ามาสู่ใจแล้วไม่มาเฉยๆจะมากระตุ้นมาเร่งเร้าให้จิตใจนี้เกิดการดิ้นรนขึ้นมา จิตใจจะดิ้นรนไปอย่างความรักเกิดขึ้นใช่ไใจเราจะดิ้นรนอยากไปหาคนที่เรารักสมัยวัยรุ่นโรแมนติกมากใช่สมัยโบราณไม่มีนะ อ, อะไรนะเขาเรียกอะไร S M S อะไร ไ, ไม่มีนะไม่มีสมัยโบราณเนี่ยเขาจะบอกเลยไม่เห็นหน้านะเห็นลังคาบ้านก็ยังดีถ้าเดี๋ยวนี้ก็ส่งแมสเสจกันใช่ไห ดูพอความรักเกิดขึ้นเห็นไมอยู่บ้านไม่ได้แล้วจิตใจเล่าร้อนตะเกียกตะกายไปความโกรธเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่มีความสุขทุรนทุรายขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราถูกกิเลสทําร้ายตลอดเวลาลกิเลสมันทําร้ายเราได้ตอนเราเผลอนี่แหละหน้าที่ของเราต้องหัดรู้สึกตัวบ่อยๆถ้าเรียนกับหลวงพ่อนะเราจะรู้สึกตัวได้มากขึ้นมากขึ้นถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกตัวทียิบเลยกระทั่งนอนหลับอยู่นะ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 เดี๋ยวก็ใจลอยคิดตามที่หลวงพ่อพูดบ้างคิดไปเรื่องอื่นบ้างบางคนนั่งด่าเพื่อนยังไม่เลิกเลยรู้สึกไหม <c oughs> นัดกันไว้แม้ ม, มันเลดเนี่ยคอยดูใจของเรานะใจเราใจเราชั่วร้ายนะม่ตรงๆถ้าภาวนาเป็นจะรู้เลยหาคนชั่วเท่านี้หายากนะไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกนะหาเข้ามาในนี้แหละเจอหนึ่งคนนะร้ายสุดๆเลยเที่ยวว่าคนอื่นตลอดเลยนะ <c oughs> แต่ที่ร้ายสุ ด, สดๆนี่มันอยู่ที่นี่เอง กิเลสเกิดทั้งวันหลายคนมาสารภาพเลยก่อนจะภาวนากับหลวงพ่อไม่ค่อยมีกิเลสหรอกทั้งมาหัดภาวนากับหลวงพ่อทำไมันกิเลสเยอะเหลือเกินแน่โทษใส่หลวงพ่ออีกนะ <c oughs> ไม่ดูสารารูปตัวเองนะ <c oughs> จริงๆก็คือกิเลสมันซ่อนอยู่ในใจเยอะแยะแต่ไม่เคยเห็นเหมือนบางคนนะเป็นมะเร็งไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งนะสดชื่นแข็งแรง พอมอไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งนะจะมาโทษว่าหมอตรวจแล้วทําให้เป็นมะเร็งก็ไม่ได้นะเอย่างฟังธรรมะของหลวงพ่อแล้วเห็นในใจเต็มไปด้วยกิเลสอย่ามาโทษหลวงพ่อนะห <c oughs> ลวงพ่อพาให้เห็นเท่านั้นเองถ้าเราไม่เห็นศัตรูของเราศัตรูอยู่ในบ้านเราเองอะเราไม่เห็นมันอันตรายนะเหมือนงูพิษเลื้อยมาอยู่ในบ้านแล้วเราไม่เห็นนะอันตรายที่สุดเลยกิเลสเหมือนงูพิษเลยล่ะเข้ามาอยู่ในใจเราเนี่ยคอยจะทำลายเราตลอดเวลา กิเลสบางทีทำท่าหวังดีนะคอยเตือนเราด้วยความหวังดีเช่นเราจะภาวนาก็าบอกว่าอย่าทำมากเลยเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรนะการทำมากเกินไปนีเ่เคร่งเคร่งเครียดเกินไปพักผ่อนเถอะหวังดีนะอย่าดูเยอะเลยเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวเป็นบ้าไปนะไปนอนซะเถอนะิดเที่ยวเถอะเที่ยวหน่อยจิตใจต้องผ่อนคลายนะแล้วถึงจะภาวนาดี โอ๊กิเลสนะมารยาเยอะนะไปช้อปปิ้งก็ได้นะแล้วไปดูเอาตอนช้อปปิ้งก็ได้เนี่ยใช่หไหมกิเลสหวังดีมากเลยนะส่วนธรรมะมกักจะหวังร้ายคอยโขกเอาตีเอาอ่ะแปดโมงนิมนท์ครับเชิญโยมไปทานข้าวนิมนทร์พระนะพี่นีนิมนท์โยมโยมมาออกไปข้างนอกไปทานข้าว